โก็ว่าคือเขาพยายมจะถัดเกา่าอะแต่โยมก็าเขาจะติดก็แบบว่าติดเพราะว่าการยื่กับคนนะจริมันไม่มีทางที่จะไม่ติดไม่บอกเลยแค่นี้คือพี่เขาพยายามอยู่แล้วว่าเออตังอาจารย์เอามาเป็นแบบ ม, มันก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้คือคือเขายัางฟังน้อยไปเ้าต้องฟังต่อเพราะว่าเพราะว่าธอเลยชี้ไปนอยู่หรอว่าโยมว่าอยู่ที่ตรงนั้นนะเราะโกเนี่ยไม่มีใครที่จะมาดูเขาเได้ฟังคำแจริงจง ไม่เขจาติจาก่ที่อาจารย์สอนให้ตื่ให้คิดให้โยนี้สให้สมาทานแต่พอกระมากความจริงที่ว่ามันเป็นชีวิตจีนที่ต้องมายุ่งกับคนไม่ใช่แต่พระนะคะโยมเนี่ยโยมด้วยอะโยมผีคนที่ยุ่งกับพี่วราไม่หลายคนนเนี่ยเขาบอกวันเมื่อวานเนี่ยต้องไปโยมคนที่โยมไม่เอ่ยชื่อ่ะเราว่าเพราะเคือต้องมีคนต้อมโยมเชื่อว่าแกแกก็ทาได้ดีแกโตมาก โทมาหาเนี่มันเล่าอัลมาล้องพูก่อนแกบอกว่าก็ก็ทำให้ความติดขัดที่เคยผ่านมาโล่งเดี๋ยววันที่สิบแปดสิบก้าจะไปฟังอีกต่อไปก็ผมจะชัดเจนที่ฟังมาเป็นที่ที่ทว่าโทรหาอาจารย์เยวคบอกเเพราะว่าเขาเป็นที่จารยหนังสือโยงบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์โอเคเลยค่ะเพราะว่ามีมีโยงจาก่งเทศมาหาอาจารย์บางคำเนี่ยค่ะเพราะวแบบติดต่อไม่ไตอนที่โทรได้บอกเขาออาจารย์ต้องา รรู้สึกก็ใส่ใจเช่าเท่าที่เห็นนะจริงๆที่อร์ราาหไปไกลนะคืออัธยาสัยมีมีอัธยาันสัยเป็นคนนอนที่จะพักมีปนิสัยเขานอนนอนกนัดเขาตอนเช้ามามาคุยกันนะอุ๊ยผมทำอย่างนี้เขาทำนะไนก่ยตาใครจะตามิกรร แล้วอะไรตอนกล่าวผูค้คุณที่ว่าเวลาอาหารงรั้งที่ปากพูดนะฮนบอกว่าโอ้โหถวายชีวิตด้วยเสียคลาดพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ช่นเถิด้วยเสียคลาดใจใจใจไม่ลงลงอ่าค่ะปากเลยค่ะไปแต่ปากคนนี้จะไม่เอาแน่ขอค่าได้ยินท่านนะถ้ลกลครอยากกล่าว่าจีการมนการก็ต้องทำให้ได้ <c oughs> แลยวแล้วจะทาให้ได้ดีีต่างใ่ค่ะแตะมามียอมคนมง นี่ก็เลาได้เอไม่เคยรู้จักแต่มีคนส่งเทสให้ไปฟังได้อยู่เก็แล้วก็รู้สึกโวกกาเนี่ไปให้เบอร์พรรมวทูโทรม า, าติดขัดฟังร่างกันเลยว่ติขัดเรงการเดนร็ววิถีพุธิน์นมากัอธิบายควาอธิบายพิว่าเป็นชุมเอรองให้เอ่างหอาปดเอรองร้องกน พอเริ่มเรเข้าใจประมาณว่าับและอื่นสภาพผมนี้มันเกิดขึ้นมาเลยจะไข้ควรก็ไ้วราที่ตครบเพราะในโลกเขาก็เกิดเีกนะอย่างว่าก็ต้องเป็นฉับเลยนะเกิดปีกกบฏมาปัจจุบันปัจจุบันเขาเคยมาพยายามเชื่อมโยงให้ถึงมองม่เหนมามีหน้าที่ว่าเราจะเชื่อมบุคคลเหล่านี้ถึงจิตจได้หมดตาเลยกคือเพื่อธรรม ทีนเนี่ยศาสนาจะเข้าขัา้วพระจ้าแล้วเขาทหน้าที่ว่าเชื่อมบุคคลนั้นให้เข้า้ไ า, นนมาไม่ใช่เชื่อมบุคคลนั้นมาหรอกไม่ใช่แต่ก็เกรามาฮะกตตรงนี้ก่อนรเราเราเราต้องบอกาาบอกเว่าเราไม่ได้มีสารเป็นพุทธเจ้าเป็นกไของเาเาแตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้บุคคล น, นี้ เราต้องทําหน้าที่บอกให้ดีที่สุดเราจะเป็นห้ามคนเพื่อให้เขาคิดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ไไดแต่เราเราพยายามบอกวัตถุประสงค์ในการกล่าวระทำได้ในการเขาต้องตั้งตัวอยู่นะเช่นนะคะมันเป็นหลักที่เราจะต้องฝ่าฟันออกไปเหมือนกันเพราะเราเองก็จะต้องเดินเราไม่ได้จะมัต้องมุ่งอยู่ตรงนี้แต่ชีวิตเรามันต้องเดิน มันก็เดินไปในสงสารวัตรใช่ไหมแล้วเราจะต้องบรรลุอ่ะเป้าหมายที่เราตั้งไว้อการบรรลใช่ไหมแล้วประโยชน์ตนเป็นเท่านไม่ใช่ไปตั้งนะใครจะเดินยังไงมันก็เดินเงบาทแต่เรามีหน้าที่บอกก็บอกใช่ไหมคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงไหมอาคารตระถากระดาษท่ตนบอกว่าพระศาสดาเป็นเนียผู้บอกใช่ไหมใช่ไหมคิดที่พูดอันตรายต้อบอกว่าในคำภีโดยทัโวไปที่เราบอกว่า กิจอันใดที่ตถาคตจะพึงทําแก่เธอทั้งหลายกิจอันนั้นตถาคตทําแล้วเธออย่าได้เป็นผู้มีความเสียใจในภายหลังเจ๊ะไหมดูก่อนที่คือทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นรองฟางเจ๊ะไหมเธอจงไปตร้างความเพียชเะมอันนี้เหมือนกันกรณีก็คือเราทาําำนะที่ว่าเออคุณจะเชื่อมพระพุทธเจ้าไงคุณเชื่อมไปเสร็จให้มันกิจข้อนำมาเสร็จ แล้วคุณฟังพระเจ้าแล้วแล้วคุณก็ต้องเดินตามพระเจ้าไม่ใช่คุณมาเดินตาแล้ว<ม>เราไม่ใช่สารณะนะเพราะเราก็มีพลัลตนาไกเป็นสารณะนะแต่อย่างนี้นเราก็ชี้เขาแต่เมื่อชี้แล้วเขาจะคิดเป็นอื่นมันไม่ใช่นาชีของเราแลับมันไม่ใช่นาชีมันไม่ใช่นาทีของเราแล้วยืนยันว่าเ ง, งี้ยไหม มสมมติดเดียเ๋ยมายาเขียนหนังสือเนี่ยหลักการเขียนหนังสือมีอยู่ว่าพยายามเขียนหนังสือให้ตนเองเนี่ยเป็นอิสระใช่ไหมเป็นอิสระจากหนังสือให้ได้ว่าหนังสือที่เขียนที่นําเสนอเนี่ยเป็นการนําเสนอพระพุทธพจนิพพาธรราะจีการทําให้สมบูรณ์ที่สุด เมื่อทำให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าไหร่แล้วที่ว่าท่านบุญนั้ทนทาอิสระทำตนเองจะให้เป็นอิสระจากหนังสื อ, อใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องหมายความว่าบุคคลอ่านหนังสือไม่ใช่มาติดผู้เขียนก็มันทีติดนะคะก็ตรงนี้เราเจตนาแหละปกติมาติดอนะ่ะยอมมาไม่ได้ติดไม่ได้ที่ติดแบบนั้นเพียงแต่ว่าอู้ยกจ้องสเสริ ซึ่งบางทีเราก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ต้องการจิี่งะแร้ได้อันนี้ทีเข้าใจเข้าใจารตรงนี้ห้ามพไม่ได้ตรงนี้มันห้ามไม่ได้แต่ดูที่ใจเราไงคะใช่ใช่ให้าจาขามันคือแต่รู้ตัวเองค่ะพยายามที่จะไม่ไอ้โรคกรรมำแปดจะไม่พยายามให้มันเขียอกินเรา มันบที่สุต้องมั น, ม, น, ม, นมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ใครจะมาสรมสัมยกย่อมนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขอบุญเพราะว่าเขาเข้าใจจริงๆเขาก็อาจจะพูดจากใจเขาจริงๆเข้าใจาค่ะนะคะเหมือนอย่างเนี้ยค่ะก็เข้าใจจากท่านเขาพูดอย่างเนี้ยคือคือตรงนั้นนี่ยมันเป็นความดีถ้าเป็นความดีก็ก็คือนั่นโอ้เรียบเรียงได้ดีค่ะแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วมันเป็นไปไประโยชน์กับเขาเราก็ชื่นใจใช่ไหมคะอันเนี้ยเมื่อว่าเปิดภูมิใจว่าโอ้ย่างน้อยที่สุดผลงานก็ยัง ยังอยากได้ให้คนอื่นเอาไปมีความเข้าใจมีมีมีข้อปฏิบัติตามนั้นได้อันนี้มันก็เป็นความความภูมิใจของเราณนาขัแต่ว่ามีไม่ไม่ได้ไม่ได้ลิงโอดใจหรือไม่ได้คล้อยตามไปกับคำลุกย่อสรรเสริญอะไรทั้งหลายในอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ดููใจดูใจตัวเองจริงๆอเพราะว่าพยายามเหลือเกิน คือการการเขียนหนังสือในต้นหมายฟังบอกว่าถ้าบอกว่าก็คือเน้นเราเน้นหลักหลักการก็าถือว่าคือต้องการจะนำเส น, น, นอพระไตรปิฎกอริยกตาและดีกา ร, รือกับอื่นๆเห็นไหเพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็คือว่าพอพอทำในลักษณะอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้าทำให้ให้ตัวเราเองนะั้นเป็นอิสระเป็นอิสระคือเราเขียนหนังสือก็ดีเนี่ยเขียนหนังสือก็ดีหรือว่าเกี่ยวในเรื่องของการประกาศคำสอนอะไรเนี่ยต้องประกาศหรือเขียนในฐานะผู้ศึกษา และเป็นการเขียนเนี่ยเป็นการเขียนเพื่อต้องการศึกษาของตนเองไปด้วยแล้วก็ต้องยินดีในการที่จะรับฟังคำทักท้วงใช้คำแนะนำตลอดที่แก้ไขปรับปรุงเมื่อเกิดความผิดพลาดและบกพร่องและก็ตามคำที่บอกด้วยท่าทีที่มีเมตตามีความหวังดีต่อกันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้งานนั้นมันสมฤธิ์สฤท ทีนี้พอมาพิจารณาอย่างนี้ก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจบอกว่าโอ้ดีเนี่ยเมื่อทําไปในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเป็นเหตุเนะ้ยเป็นเหตุทําให้ผู้เขียนเนี่ยเริ่มเป็นอิสระเป็นอิสร ะ, เ ป, สระเป็นอิสระจากเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราจะเป็นอิสระทันทีเลยเป็นอิสระจากจากผู้ เพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ในการที่นําเสนอใช่ไหมนําเสนอไปเสร็จแล้วเราได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําเสนอได้ทํากิจที่ควรทําั่นเสร็จแล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละกิจที่ที่อุบาสิกาควรทํานั่นแหละถ้าโยมโยมก็อย่างนั้นไงเมื่อเมื่อทำไปเสร็จแล้วก็เป็นอิสระใช่อ๋อความอิสระหมายความอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอิสระก็คือเราเราเราได้ปลุกโลกเบาใช่ไหมเมื่อท่านคนนั้นมาอ่านก็เป็นอิสระจากพูเขียน อ่ะทำไมไมันเป็นอิสระเอาตอนนี้เป็นพุทธพจน์<ๆ>นะคนจะไปโจดตีผู้เขียนไปได้นี่พุทธพจน์ที่เป็นอักษ ร, รฐฐที่เป็นดีการคุณอ่านไปเสร็จนั้นผู้อ่านกับผู้เขียนเนี่ยเลยเป็นอิสระ ต, ต่อกันแล้วกันอ่านเป็นอิสระอืมให้เป็นอิส ร, ร<ล>ะก็คือไม่ต้องมาปูกพันเนะี่ยทำไมคุณเขียนอย่างนั้นไม่มีเลยขพราะแล้อมันเป็นอิสระอย่างนี้นั้นเราเขียนอย่างผู้ศึกษาในขณะที่เราเขียนไปเราก็ได้ศึกษาคเราก็ได้อ่านเราก็ได้เกิดความเข้าใจ แล้วก็กยออ่อในน้อมรับคําทวงดีด้วยความเมตตาปราณีต่อกันได้การหวังดีต่อกันและกันนี่หัวใจของผู้เขียนอันนี้อยากจะเอาลงในคันนี้ด้วยอ<ง>ีกทีหนึงเมือม่อเมือ่อธุรกิจก็พูด<ไ>แต่ไม่ได้พูดจะแจ้งถึงอย่างนี้<ไ>เพียงแต่ว่ายินดีที่จะรับคำติชมอะไรเพื่อจะได้มาปรับปรุงอะไรไให้ดีขึ้นแต่อันนี้จะจะขออนุญาตเขียนอัน อันนี้ลงไปด้วยสุดท้ายแล้วก<ช>็จะได้ให้ให้ว่าเล่มไหนที่มันมีข้อบอกพร่องด้านไหนรับแต่ก็ไม่เห็นมีใครบอกสักทีไม่ใช่คือเราเขียนตรงนี้เป็นเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระใช่ค่ะไหมเราเราเป็นอิสระใช่ใชเป็นอิสระเสร็จ<ล>กิจเสร็จกิจของเราแ ล, แล้วก็อีกอย่า ง, งเราก็เป็นอิสระตัวหนังสืงอด้วยเป็นอิสระตัวโดยทั่วไปทีนี้ถ้า ความเป็นอิสระของเราจาับหนีไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราได้อธิบายอะไรเกินถูก<ห> <laughs> ใช่ไหมโยกกลัวที่สุดอันนี้เกินเลยไนงะพอเกินเลยเป็ดเสร็จอันนั้นน่ะเราจะปัดภาระความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ยแล้วมันจะจำหลักอยู่ในหัวใจเองก็<อ>เลยไป็ความผิดพลาดอันนั้นนะคะคือตรงนั้นนั่นแหล ะ, หละก็คือก็คือจุดที่จุดที่มันมันไม่ได้เป็นอิสระเลยทีเดียว หรือการที่เราเรียบเรียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในใจเราก็เลยไม่กระบายใจนั่นเลยก็เลยขายอิสระตรงนั้นหนอแต่ถ้าเต็มที่ของเราแล้วอย่งมันจะโปร่งลงลเราเราได้ ท, ทําหน้าที่ในฐานะบาสิสกาปุ่นหนึ่ง ข, ของพระศาสนาเหมือว่าถวายชีวิตสุดชีวิตแล้ว<า>ทำเนี่ยทําทุกอย่างอย่างด้วยชีวิตจริงๆจิตวิญญาณใช่จิตวิญญาณ ไม่ก็ให้คนนะนำดีดีค่ะให้คนแนะนี้ก็เลยจะได้แนะนําในกรณีอย่างนี้ทีนี้ประเด็นต่อไปแต่นี่เนื้อหาะอามาพูดต่อไปกันเนื้อหาเห็นไหมพอพูดถึงในส่วนของคําว่าอักสาธะเราควรจะดึงสูตรไหนมาเชื่อมถ้าพูดถึงอาทินาวะเราควรจะดึงสูตรไหนมาเชื่อมถ้าพูดถึงในด้านองนิสสณะเราควรจะดึงสูตรไหนมาเชื่อมเนาะ เอาที่อาจจะมาไม่ได้เตรียมตัวนี่น ะ, ะจะลองนึกๆตอาเนี่ยนะนึกจากประสบะการณ์ที่ผ่านมาเนี่นนะในส่วนของอาสาทธาตทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่ดึงเข้ามาแล้วค่อนข้างที่จะอะได้เชื่อมตรงนี้หน่อยก็คือว่าในวิมานวัตถุทั้งหลายเห็นไหมในภูตะการิกายแล้ววิมานวัตถุข้ามภี่เหล่านี้แล้วก็ไปหาเก็บข้อมูลมาหน่อย ว่าสุขสมนะที่เกิดขึ้นจากในสวรรในวิมานที่เกิดขึ้นอยากไหว้บระาตุไหว้อะไรต่างๆเลยก็แล้วแต่น้อให้ทํารักษาสีหรือไปเก็บเก็บรายละเอียดต่างๆ ค, ค, คนี่ๆในส่วนของในส่วนผลจากผลจากการกระทำใช่ใช่ใชที่ในส่วนของอาชีนาวะก็ไปเก็บเอาในส่วนของในขุดถกนิกลายเป็นวัตถุเป็นต้นหรือในเทวทูตสูตรเป็นต้นในมัชฌิมานิกายนะ ในคำ้ิมารจะมาใกายเป็นต้นนี่เราจะได้มองเห็นจุดต่างนี่เป็แต่วัตถุใช่ไหมใช่ๆ่ระหว่างอัศทะกับอาชินวะ<อ>ระหว่างสุขสมานะนกับทุกทุกโทษจะได้เห็นชัดว่าภพภูมิเป็นยังไง อ, อ, อันนี้นะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะมองโดยตรงมองในตรงของคำว่าในทางด้านสรุปลงอัศทะอาชินวะ แล้วก็นิสรณนะเลยก็ <ฮะ S 1> ไปดูในในทุกขามหาทุกขาขัานตสูต ร, รจุทุกขาขัานสูตรในมัชฌิมนิการนะจุาทุกขาดขันตสูตรทุกขาขันตสูตรนี่ตรงนี้ท่านจะกล่าวทั้งอักษ า, าทั้งอาทินะวะแล้วก็นิ ส, ะสาะนะหรือระ น, น, นะหรือใน ปาราสีสุที่ไหนเราก็ไปหยิบข้อความบางังติดบางตอนมาทั้งในชั้นของบาลิสตัสมัชิมานินานกานอย่างนีง้จุระนี่ก็มัชิมานิกะใช่ๆทั้งจูระทุกกมาท <มา S 1> ุกกัศ น, นั่นในใ น, น, น, น, น, น, น, นส่วนต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะอธิบายทั้งส่วนที่เป็นอสาธาส่วนที่เป็นอาจีนาวะแล้วก็บอกแล้วก็บอกนิสระณะนี่เป็นสูตรใช่ครับ ท่านจะบอกว่าอู๋ ว, ว่าในสมวนของอัศว์ท่ามีนะหรือท่านในปาสราสิสูตรใช่ไหมที่ตอนที่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่นานพิศรณะหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือว่าในมาคานันธยสูดอ๋อใช่ไหมหในมาคันธียสูตรเนี่ยน่าจะอยู่ในไม่มาชิมิอันิการทคีขันติก า, กามันจะไม่ค่อยชัดในตรงนี้นะเจอมันดูมนนั้นเลยอย่างเนี้ท่านจะพูดถึงในเรื่องของการมบุคคลท่านในมาคานันธยสูตร ท่านจึจะพูดทันทีท่านก็กาอาจะถาเขายกอุปมาเรืออ่องกรรมคุณเลยว่ากรรมคุณเนี่ยสมัยที่พระพที่ตถาคตเคยได้สมัยเป็นเป็นมหาบุรุษอยู่นยขนาดไหนหรือถ้าถ้าต้องการอยากจะยกแบบอืประเทศที่เอาของพระพุทธศาสน์เลยนะก็ต้องไปดูในมาหาสติปัฏฐานสูตรในภาพของอุเทศถ้าในภาพของอุเทศไม่ชัดตอนที่กล่าวถึงพระเจ้ามันธาตุล่า วอกก็ไปดูในชาดกเลยมาทันไอ้เจ้าเจ้ามันในมันทาตุราชาดกมนธาตุรา ช, ชาดกตุราคือขอบที่กล่าวในเรื่องของประวัติของพระเจ้ามันธาตุราคือว่าคือพระเจ้ามันธาตุราเนี่ยท่านกล่าวให้กับพระฟังเพราะว่าท่านได้รับอสสาทคขนาดไหนตอนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านปกครองทวีปทั้งสี่และทวีปน้อยใหญ่เป็นบริวารสองพัน 2, และยังปกครองจัตุม แล้วยังไปปกครองในสวรรค์ชั้นดาวดึงดีกจนเท้าสกัดตายไปสามสิบเอ็ดงค์ถึงสามสิบกองค์แต่ความสุขที่ดื่มด่ำจากอาสาทาก็ไม่อิ่มกล่าวถึงโทษของตัณหาเนี่ยกล่าวจนพระบรรลุได้เลยอ่ะสุดนี่<อ> <laughs> จนพระอยากที่กรสันจะสึสกเนอะโหไม่สึกเลยเนียเอย่างนี้เป็นต้นคื อ, อพูดถึงในด้านของตัณหาพูดถึงด้านอาสาทะพูดถึงด้านสุขสมณนะ และในที่สุดจริงๆตัเองก็ต้องมาตายลงนี่พูดถึงโทษโทษต้นการเสกกรรมนคุณจนตายเนี่ยาจะร่วงมาจากสวรรค์เช่นดาวถึงแล้วตกมเมื่อเย็นอุทยานแล้วก็เขียนเป็นจาวลึกเอาไว้ว่านี่ไงพระเจ้ามันคาตุราษณะขนาดนี้บุญขนาดตกถ้าหัดสามครั้งมีฝนกระหายนะลอยตกลงมานี่ยังไม่อิ่มไม่ยังไม่อิ่อออจะได้ให้คนทั้งหลายที่กระหายนี่อัศธาทั้งหลายให้รู้ว่าอัศธาในกุเศลไปเถอะ แม่น้ำเสมอด้วยตันหาหนี่ใช่ไหมเหมือนที่กล่าวไว้ในชาดกทั้งหลายอ่ะเกี่ยวกับในเรื่องของตันหาเนี่ยนะเนี่ยในตันหาวักในธรรมบทเนี่ยเรียกว่าโทษโทษของอาสาทัศน์ฉนั้นนะถ้าเราจะกล่าวในเรื่องของตันหานี่ไปดึงในธรรมบทมาแล้วเนนะี่ยในธรรมบทรู้สึกจะอยู่ในเนี่ยในเรื่องของอตันหาวักที่ว่าด้วยเรื่องของนางลูกสุกรใช่ไหม คือแค่เคยกล่าวบ่อยๆนะที่บอกว่าไงยาทาปิมูเรอนุปตะเวดันิชินโนปิรุโคปุนาเรวารุฮาตีเอวังเอวังปิตันหานุสเสยานุฮาเตนิพัตติดุกามีดังปุนาปุนังยาซาชาติงสติโสตั มนาปตาวนาผู้สามหาวันปิทุทิฏฐิสังกะปาราคณิสิตาสวันติสัพพิโสตาลาตาอุพิชิติธาติตันจาริสวาระตังชาตังมูรังตันหาปัญญาญาชินทา สริตาณีสิเนหิตาณี i ่าโสมณัฐานีบวันติชันตุนูเตสาตสิตาสุเคสีโชาติฉร ख ाคานารากสินายชาปาริตปาสัมติสช ดูกำวเป็นตีผูนักผูนังจิรายาคสินายาบุรคตาปัชาปาริสัพันติสโสวพาทิโตตัสมาตัสินังวินทะเยทีกขะกังขังวิราธรรมตโนนี่ยบอกว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงอยู่จากใดถึงจะถูกตัดไปแล้ว ก็ย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใดตัณหาหนุสัยอันบุคคลยังถักจัดไม่ได้ด้วยอิเมักแล้วทุกนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ล่ำไปชาติทุกชราทุกมรณะทุกก็เกิดขึ้นอยู่ล่ำไปกระแสแห่งตัณหาสามบซึ่งไหลไปในวลมเป็นที่น่าชอบใจเป็นธรรมชาติกล้าแข็งย่อมมีแก่บุคคลใดความดําริที่สร้างออกมากม้ที่ยิงอาศัยราคะย่อมนําบุคคลผู้มีทิฏฐิชั่วนั้นไป กระแสเห็นตัณหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งวงมีรูปเป็น ต, ต้นตัณหาดุดเถวันแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ท่านทั้งหลายเห็นตัณหาดุดเถาวันนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วจงใช้ปัญญาในอริยมรรตัดเงาของตัณหานั้นเสียเถิดโสมนาตทั้งหลายที่สร้างไปแปดเปื้อนด้วยตัณหาดุดยางเหนียวย่อมมีแก่สัตว์ทุกพบเราสัตว์เหล่านั้นอาศัยความสาราญเป็นผู้สแสวงหาความสุข นราชนเหล่านั้นก็เข้าถึงชาติชร า, ามรณะบ่อยๆมูสัตว์ถูกตัณหาด้วยความดิ้นรนแวดล้อมแล้วย่อมกระเสือกกระสนดุจกระต่ายที่ถูกนายพานดักไว้แล้วชนะเราสาตัตว์ผู้คล้องแวดอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเป็นเครื่องค้องทั้งหลายย่อมเข้าถึงชาติทุกชราทุกมรณะทุกบ่อยๆ อ, อยู่ชาา้านะำมูสตัตว์ซึ่งถูกตัณหา ตัวทําความติ้นลนพร้อมร้องไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนดุด ก, กระต่ายที่นายพานดักจับไปแล้วฉะนั้นเพราะเหตุนะั้นภิกษุภิกษุณีบาศกุบาสิกาผู้หวังอยู่ซึ่งทําเป็นเครื่องสํารอกกิเลสตัณหาพึงบรรเทาตัณหาที่เป็นตัวติ้นรนเชื่อถืออย่างนี้อันนี้ในประวัติก็ไปดูในธรรมบทท่านจะเล่าประวัติว่าในขุตการณนี้กายทำอยู่ ถจะไปดูในธรรมบทท่านก็จะเล่าประวัติของสังสารวัตรจะปดูดเล่าถึงมตั้งแต่เขาก็ได้องค์เห็นลูกสุกรเห็นลูกนางสุกรพระองค์พยาย้งพยาย้มพระโอษฐ้านนท์เขาหยีดด้านหลังก็ถาม mm hmm. ก็เลยเล่าลูกหููตายเมื่อกี้อัตภาพเป็นคนเล่าคนรวยได้ชานจะมาบัตรต่อมาเ mm hmm. นี่ยมาเป็นลูกหมูอย่างนี hmm. mm ้ hmm. แล้วก็ แล้วก็อยู่ต่อมานี่นะเขาจะเล่าประวัติไปดูทมบทยาวเลยนี่ประวัติของนี่ก็ยังนี่จะเห็นสงสา้วว่าท่านเล่าเนี่ยนะ<ม>พอไปไปมามายุบหลังอีกพุทเจ้าบริสุทธานเราหลายร้อยปีมาเจอเรือของฟิกษุรูปเนี่ยเธอบวชเป็นภ<ม>ิกษุท่านเล่าประวัติ<ม>ท่านตายประมาณสิบสามอัตภาพหรือ<ม>ประมาณยี่สิบอัตภาพจําไม่ได้นี่นะ<ม>แล้วต่อมาท่านได้บรรลุพอบรรลุไปเสร็จท่านก็นเล่าประวัท่านดี<ม>เล่าไปคนร้องให้กันคนบรรลุกัน โอ้โ ห, หน่ากาาลัวจรงสงสารเลยวะนี่ไงเล่าเรื่องสงสารเลยวะอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหม <S <S อย่างเงี้ยสรุปให้คนเห็นโอ้โหอ่านอะไรน้ำตาคอเห็นสังสารเลยวะน่ากลัวเหนแล้วน่ากลัวโอ้โหเป็นพมเป็นเป็นลูกเศรษฐีมาหาเศรษฐีเป็นยาจอบวันนี้พบเป็นแม่ไก่บ้างเป็นหมูม pud. เป็นสุ ก, กรใช่หจะต่อมานี่มาเป็น ม า, ม, ม, ามาบวชเป็นพิจุนีแล้วได้บรรลุแล้นึกถึง13สีอัตภาพพุทธเดีแล้วมาเล่าสสีบดบทสังเวีแล้วนางก็ไปลิบิพานไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นมีแห ม, มถ้าอย่างนี้เห็นความเป็น<ช>บาสงสังสารแลวค่คนปัจจุบันในยกอย่างนี้เขาชใชนก็ที่ที่อ่านดูไอไออสัทศนะค่ะเวทนาลูกสัญญาเวทนาที่เกิดที่อะไรฮะที่ให้ให้คุณน่ยทูคุณนะ ลูกเวทนาสัญญาสารที่เกิดที่ที่เกิดอะไรจากสุขโสมนัสนั่นนหละเป็นคุณยอมว่เข้าใจแค่นี้อันอันนี้มามาเข้าใจไอ้ข่าขาขยายความอีกแล้วต้องสั่งบุคคลอธิบายต้องใช่ค่ะเยอะเยอะไมากเลยอันนี้ก็จะได้เห็นโอ้เป็นยกยกทําบทเข้าประกอบเลยตันี่ไงยกแต่ละเรื่องประกอบอย่างอันมายกเป็นตัวอย่างเครื่องอย่างเงี้ยต่อไปนี้ยอมอาจารย์มหาดีเจ้าเลยเขายกประกอบประกอบประกอบมาเห็น คือเชื่อมโยงเห็นอ้อนี่ไงสังสารวัรอ๋อนี่ไงอาทีนวะอ๋อใช่ให้มันเห็นเห็นชัดชัดชัดเจนขึ้นอีกนอกจากคำพูดแค่นั้นใช่ใช่เพาะเห็นบุคคลเห็นเร่างการดูพนี้ใช่เลยสรุปลรงอริยศัสตร์แล้วเขาลงในสัจจสมยุติเขว่าไปเนี่ยท่านในรักท่ะนไหนเขาคนนี้ในลักษณะนี้เราเราจะเอาทีละ เอาทีลย่างดีไหมฮะหรือว่าจะเอาไอ้ที่อธิบายที่มีทั้งอัจฉริะมีทั้งอาทีนะว่ามีทั้งนี่ฉันั่งอยู่ในเรื่องเดียวกันอ๋อมันอยู่ที่วิธีนําเสนอเออที่ถามดี <c oughs> ถามดีก็คือว่าถ้าเอางี้นะเนี่ยลมดับในคำพีชนารังกาแลนะ้ว <c oughs> สังเกตดูให้ดี <c oughs> ให้ก็เรียนเงนแบบเนี้ย น, นะสุขสมมั้นะแล้วก็เปอารทีนะว่าเห็นไหม ถ้าท่านก็ไปสรุปลงการบรรลุของพระพุทธเจ้าเห็นไหมไม่อธิบายก็เด็กขุนท่านจะยิ้มที่บายเรียนมันดับแน่เลยแต่ยงเราไม่ได้สังเกตไปส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นอัาธาส่วนไหนเป็นอารีนะว่าส่วนไหนเป็นวิสารนะส่วนไหนเป็นอันผลเป็นอุบายเป็นอันนะเราไม่ได้สังเกตแท้จริงท่านเรียนมัาดับตามเทศนาหานะของพระพุทธเจ้าเพราะท่านชํานาญกันอยู่แล้วบุคลเหานี้ที่ท่านเขียนคำพีทั้งหลายเ่านจะแต่ว่าท่านยกเป็นเรื่องเรื่องไว้ค แต่ท่านไม่บอกว่าส่วนนี้ที่พูดถึงความสุขความสุขของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นอสสตทะความทุกข์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นอาทินนวะแล้วการที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายกําลังดําเนินสติปัสสนาสมาธินี่เป็นนิสรณะท่านไม่บอกแค่นั้นเองแต่แท้ที่จริงนั่นแหละเห็น ไ, ไหมนั่นแหละทะเรียงลาดับการแสดงครับเพราะฉะนั้นก็เอาเรียงลาดับมา อธิบายทุกอย่างทุกอย่างไปตามข้อความนั้นก่อนแล้วมาสรุปตอนท้ายก็เอาเอาเอาสูตรที่มีทั้สรุปทั้งหมดเลยนั่นแหละมีอาสาทัสุดท้ายเอาเอาที่ว่านี่นะฮะแล้วก็ชี้ชี้ให้ชัดว่าอันนี้คือไมคถ้าอย่างนั้นเขาต่อไปนี่เป็นประโยชน์ของผู้อ่านเพราะผู้อ่านทีอ่านก็ใจพิดเดาแยกไปแยกได้ทาให้เาแยกจดโอ้แล้วอ่านก็ใจพิดกดานาน เราไม่ได้แยกเนาะส่วนนี้เป็นส่วนอัศสาทั้งส่วนนี้เป็นอาทีนะวะส่วนนี้เป็นนิสระนาส่วนนี้เป็นผลส่วนนี้เป็นอุบายส่วนนี้เป็นอานาค่ะโอสรุปลงอริยศาสตร์คือทศสมุทัยนิโรธมรรคแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรใช่แล้วบางสูตรทําไมกล่าวสั้นโอเพราะท่านสุต่าวสูตรยาวไปแล้วท่านไม่ต้องมาเชื่อมสูตรยาวเลยก็เลยเข้าใจนัเข้าอ่านเพื่อพื่อตรงไหนไปแยกได้ขยายได้ใข้ครวนด้วยเองได้หมดเลยหนี่เราเข้าใจ แล้วนี้พอทาอย่างนี้แล้วเราจะต้องเอาไปเข้ากับอะไรอีกไหมนะเชื่อมโยงไปกับปริญญาหรือยาม่ต้อแล้วแต่เราจะเชื่อมแล้วถ้าเรควหนังสือมันหนาเกินไปไม่เป็นไรถ้าหนังสือขีนหนาก็ได้ก็สามารถเชื่อมได้เพราะว่าในปริญญาเขาจะลงในเรื่องของวิปัสสนาญาณยาแต่ปริญญาเป็นนามรูปปริเฉตญาณใเป็นปัจจยญาปริจขหายานตีได้ปริญญาก็เป็น สัมมาสนญาาอุทิยปัญาอยานต้นแล้วก็ประหารนปริญญาพูดถึงละปัญหาที่เละตั้งแต่ตัดทางค่จนจะถึงวิขัจนถึงสมุจเตัหาจนถึงอามะจนถึงมรรคผลแล้วก็แยกได้หเพราะเขาเรียงลาดับไว้อยู่แล้วรากวิตัสสนาญาณชโยงเชื่อมโยงสายเาเห็นยนี้เอาตรงนั้นดีกว่าใช่มไอเอปริญญาไม่ตรงนี้ไม่ต้องออกมาเข้าแล้วมันมันมันจะมากไปัจะหลายชั้นเถอ เพราะว่าการแสดงทำนะและแต่ว่าจะแสดงมุมไหนมุมมิสุดที่เจ็ดหรือมุ ม, มิปัสนายานสิบที่บับนายานสิบหกหรือมุมปริญญาสา ม, มใช่ไหมันไม่้แต่แสดงไนงะเพราะว่าคนที่เขาเข้าใจเขามองได้ทุกมุมใช่ไหมน <laughs> ตรงนี้มองได้ทุกมุมแต่ว่าถ้าหากว่าเราเราจะนำเสนอมุมไหนก็ชี้ให้ชัด นี่เรามุมเรื่องสังสารวัฏก็ชี้ให้เห็นว่าสังสารวัฏที่เป็นไปในส่วนของวัตรครหมีกุศ ล, ลเนี่ยเป็นยังไงในส่วนของวิวัตรครรมีกุศ ล, ลเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องอ่ะแล้วที่ผ่านมานั้นสัตว์เจริญวิวัตครมมีกุศ ล, ลกันทั้งนั้นหเือจึงไม่เห็นโทษของสังสารวัฏเพร <jer. S 1> าะสัตว์ไม่ได้เจลลเ ร, ริญกุศลประเภทวิวัตครหมีนี้พอเริ่มชี้อย่างนี้เบ็เสร็จแล้วเขาก็จะเริมกนะครับ พอเริ่มเข้าใจเปิดเสร็จตรงนี้ก็เลยชัดเจนขึ้นแล้วอย่างนี้นะก็เริ่มจะมองเห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสว่างแจ้าในใจแล้วใ ช, ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นไปลรัตน์นั่นเองนี่เขาเรีย <c oughs> กว่าเรื่องการมองดูโครงสร้างของพระธรรมคาสอนของพระผู้พุทธเจ้าในเกี่ยวกับเรืทังสารวัตร <c oughs> ท, ทีนี้กรณีอย่างเนี้ยก็เท่าที่อย่างโยมมายาณมองได้ประมาณเดาตรงนี้ก็คือว่า แล้วอาจารย์ก็เริ่มมองเห็นโครงสร้างภาพทั้งหมดเลยค้วซึ่งมีวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมมีวิธีการนะก็ควรจากในนี้นั่นแหละแล้วก็จะเริ่มมีวิธีการจะวางคือเบื้องต้นเลยจริงๆเนี่ยคือการวางระบบใช่ไหมโครงใช่ไหมโครงต้องต้องชัดก่อนการได้เขียนหนังสือก็แล้วว่าหนึ่งต้องเชื่อมต่อให้ได้เชื่อมต่อถ้าพูดถึงในเรื่องของสังสารวัตก็คือว่า ให้เข้าใจก่อนตัวสังสารวัตรตัวแกนหลักคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจแกนหลักของสังสารวัตที่เป็นเรื่องเรื่องของขันธ์ธาตุญาณะนะเนี่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องแกนหลักของขันธ์ธาตุญาณะแล้วอันนี้เป็นสภาวะเป็นปรมาจาธรรมขันห้าเป็นปรมาจารธรรมธาสิบแปดเป็นปรมาจารย์ธรรมอาญตนะสิบสองเป็นปรมาจารย์ธรรมโอ้ยทํา่าสังสารวัตนี่แกนหลักจริงๆคือสภาวะที่เป็นปรมาจารย์ธรรม ที่เป็นแกนหลักของขันธ์ธาตุยตะนะที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่หยุดหมุน <mean> สัตว์โลกไปเข้าใจว่าตายเกิดฉะนะั้นถึงจะไปหมุนไปไม่ใช่แม้ชีวิตที่เป็นอยู่ของชีวิตเขาก็กําลังหมุนอยู่ทุกๆขนาดจิ ต, ห น, นจตหนึ่งขนาดจิตเกิขข ด, ข, ข, ด, ข, ข, ด ข, ขึ้นชื่อว่าขันห้าเกิดชื่อว่าอายตนะเกิดชื่อว่าธาตุโกิดแต่สัตว์นี่เข้าใจว่าแม้หนึ่งขนาดจิตนั่นแหะชื่อว่าขันห้าครบอายตนะเกิดแล้วก็ธาตุก็เกิด พอขนาดจิตที่สองเชื่อมไม่มีการขาดตอนนั้นชื่อว่าการหมุนไปของสังสารวัฏแล้วนี่คือสภาวะนิสสัตท์ไม่เข้าใจไงว่าปฏิจจสมบัติที่กำลังหมุนในกระแสขันของขาดแต่สับ์แต่และบุคคลเช่นแม้ในขนาดจิตหนึ่งเช่นเกี่ยวกับโลภดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นในนั้นมีโมหะโมหะนั่นคืออวิชชาใช่ไหม อวิชาที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วสังขารที่เจตนาเจติกที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเจตนาคือสังขารที่โลภะในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้ววิญญาณคือโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณคือโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วนามคือเจติกันสามคือเวทนาสัญญาสังขารที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หงที่เกิดขึ้น พ้นนามเจสิกันสามที่ในโลภภาพมริจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วเห็นไําเนี่ยอายตนาคือฉัตฐานายตนาอายตนาที่หกคือโลภภาพมรรจิตดวงที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะอายตนะคือฉัตฐานายตนาอายตนาดวงที่หกเนี่ยนะอายตนะที่หกเน่ยเป็นเหตุแล้วผัสสะคือผัสสะเจสิกที่ในโลภภาพมริจิตดวงที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะคือผัสสะเจสิกที่ในโลภภาพมริจิตดวงหนึ่งเป็นเหตุแล้ว เวทนาคือโสมนสเวทนาที่ในโลภะมูลจิตดยงที่หนึ่งเป็นเกิดขึ้นเพราะเวทนาคือเวทนาที่ในโลภะมูลจิตดยงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วตัณหาคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตโยงที่จงกิดนพรหนึ่งเป็นเหตุแล้วอุปาทานคือทิฏฐิและโลภะที่เข้าถึงความเข้มข้นเลยที่โลภะมูลจิตดยงหนึ่งี่เกิดขึ้นเพาอุปาทานคือทิฏฐิ คือที่จีเยสิกในโลภมุจิตดวงหนึ่งเป็นเหตุแล้วไหมภาวะคือเจตานาที่ในโลภมุ 7, 2, 1, จิตดวงที่หนึ่งจิตเกิดขึ้นเพราะ